ต้องชัดแก่ตนตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นว่าไม่เอาอัรถกถาพระไตรปิฎกภาษาไทยชุดไหนก็ต้องไม่เอาขอเสริมอีกนิดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของอัตถกถาในการไขคำไขความย้อนไปดูข้างต้นที่ยกตัวอย่างมาเช่นกุลเชโรกัลยาณังว่าคือหัตถีและสุนทรัง จะเห็นว่านั่นเป็นการแปลความหมายอย่างพื้นพื้นของคำสามัญเท่านั้นแต่ในภาษาต่างๆมีถ้อยคำประเภทหนึ่งจำพวกที่เป็นสำนวนคำพังเพยภาษิตชาวบ้านอันมีมาในจาเพาะภาษาซึ่งคนในสายวัฒนธรรมนั้นถิ่นนั้นพวกนั้นเอยออกมาสั้นนิดเดียวก็รู้เข้าใจกันในทันทีแต่คนข้างนอกฟังไม่ออกแปลแทบไม่ได้ แม้แต่จะอธิบายกันยืดยาวก็ยังยากในภาษาบาลีก็มีคำพูดจำพวกที่ว่านั้นในที่นี้จะขอยกมาดูกันตัวอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระที่ถือทุ ด, ดงเช่นอยู่ป่าชั้นครั้งเดียวแบ่งได้เป็นห้าจำพวกคือหนึ่งผู้ถือเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงาย 2. ผู้ถือโดยมีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำ 3. าผู้ถือเพราะวิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่าน 4. ผู้ถือเพราะตระหนักว่าพระพุทธเจ้าและประดาพระพุทธสาวกสันเสริญ 5. ผู้ถือเพราะอาศัยก่อความมักน้อยคืออัปิชตาขอ ความสันโดษคือสันตุถีคอความขัดเกลว์คือสันเลขะงอความสงัดคือปวิเวกและจออิทธมัติตาตรั ส, สรุปว่าผู้ถือทุดงจําพวกที่ห้าสุดท้ายนี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเยี่ยมยอดสูงสุดเลอล้ําผู้ถือทุดงพวกสุดท้ายที่ห้าอันเยี่ยมยอดนั้นมีคุณสมบัติห้าข้อ สี่ข้อแรกก่อถึงงอแปลไม่ยากคำต่อคำและเข้าใจก็ไม่ยากแต่ข้อสุดท้ายคือข้อจอดจานอิทธมัติตาน่านจะจัดเข้าในจำพวกสำนวนบาลีสั้นนิดเดียวแต่แปลยากมากพระไตรปิฎกภาษาไทยแต่รัชบับแปลกันยาวๆ ว, ว่ายืดเป็นบรรทัดและทั้งที่แปลยาวแล้วผู้อ่านก็ยังจะง ง, ง ในที่นี้ก็เลยทับศัพย์ยกคำเดิมมาให้ดูเหมือนคนต่างภาษามาเจอคำไทยอย่างคมในฝักตกน้าไม่ไหลปิดทองหลังพระเล็กพริกขี้หนูรู้ทุกคำแต่ไม่เข้าใจว่าอะไรอธิบายกันนานขอยกมาให้ดูว่าพระไตรปิดกภาษาไทยฉบับโน้นฉบับนี้ปลาอิทามัติตากันว่าอย่างไร เริ่มด้วยพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงถือเป็นชุดกอไก่ที่กรมการศาสนาเคยรักษาคือฉบับที่พระคึกฤทธิ์เรียกว่าฉบับบาลีสยามรัฐในวงเล็บภาษาไทยซึ่งย้ำอีกทีว่าไม่ใช่สยามรัฐแต่แค่แปลาจากบาลีฉบับสยามรัฐจะยกมาให้ดูทั้งสองเล่มที่มีหลักธรรมนี้ชุดกอไก่เล่มแปด ความเป็นแห่งการอยู่ปามีประโยชน์ด้วยความปฏิบัติงามนี้เล่มยี่สิบสองความเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้พึงสังเกตว่าคาบาลีเดียวกันพระไตรปิฎกภาษาไทยที่แปลมาก็ฉบับเดียวกันชุดเดียวกันแต่ต่างเล่มแปลไม่เหมือนกันทันทีแปลคงจะเป็นต่างองค์เล่มแก็องค์หนึ่ง เล่ม22ก็อีกองค์หนึ่งแต่ไม่ว่าจะแปลยาวหรือได้คำแปลมากจากต่างองค์ผู้อ่านถ้าไม่ง ง, งก็คงยังงมไม่ยให้ผู้อ่านในที่นี้การเรียกพระว่าองค์ไม่ใช่เรียกผิดนะครับแต่เป็นการเรียกด้วยการเคารพนับถือดังนั้นจะสังเกตได้ว่าในหนังสือหลายเล่มและแม้แต่คำเทศนาของพระเกจิอาจารย์หลายรูป ก็มักจะเรียกพระรูปอื่นเป็นองค์นะครับขอยกมาให้ดูจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับอื่นอื่นอีกสองชุดแต่ขอไม่บอกว่าชุดไหนฉบับใดเป็กค้นดูเองได้ไม่ยากแต่ได้แค่อีกสองชุดไม่อาจยกมาให้ดูครบทุกชุดเพราะเขียนเรื่องนี้เร่งด่วนขณะอาพาธอยู่ห่างไกลในดงดอยไม่สามารถหาเล่มหนังสือชุดขอไข่เล่มแปด ความเป็น แ, e. ปแห่งการอยู่ปา่ามีประโยชน์ด้วยความปฏิบัติตามนี้เล่ม22ความเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอัน ง, งามเช่นนี้ชุดคอควายเล่มแปการอยู่ปา่ามีประโยชน์ด้วยการปฏิบัติอันงามนี้เล่ม22ความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้เห็นได้เลยว่าในทุกชุด เหมือนจะถือตามกันแปลตรงกันหรือคล้ายกันและในทุกชุดคำคำเดียวแปลต่างกันต่างไปตามกันบอกแล้วว่าเป็นคำเดียวสั้นๆแต่คำแปลยาวมากต้องเห็นใจท่านผู้แปลลำพังตัวศัพท์ก็ง่ายๆคืออิทัมติตาเท่ากับอิทังที่แปลว่านี้บวกอัถะและอี ซึ่งแปลว่ามีความหมายจุดหมายประโยชน์ความต้องการบวกคำว่าตาซึ่งแปลว่าภาวะความเป็นคำว่าอิทธมัติตารู้ความหมายทุกคำแต่ไม่รู้จะจับเอาความหมายอย่างไรใครก็ตามพอเจออย่างนี้ก็ต้องหาที่ปรึกษาคำแปลในพระไตรปิฎกภาษาไทยทุกฉบับที่ยกมาให้ดูข้างบนเห็นได้ชัดว่า ทุกท่านที่แปลนั้นยึดอัตถกถาเป็นที่พึ่งแล้วก็แปลาตามคาอธิบายไข ค, ความของอัรถกถาโดยพยายามให้คำแปลนั้นควรแก่ความเข้าใจของผู้อ่านแล้วก็ได้ผลอย่างที่ได้เห็นแล้วข้างบนที่ว่าก็ยังงงงงง ง, ง, งงกันอยู่ในที่นี้ขอเล่าความด้านอัตถกถาพอเห็นแนวทางธรรมะห้าข้อ คือความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัดและอิทธมัติตาในข้อหซึ่งทำให้เป็นพระทุดงที่เลิ่ยอดเยี่ยมนั้นยังไม่มีคำเรียกรวมทั้งชุดอัทธกถาก็ได้ตั้งชื่อให้ว่าทุตธรรมหาจะเรียกว่าทูตธรรมก็ได้คือธรรมะของผู้ขัดเกลากิเลสเรียกง่ายๆว่าคุณสมบัติของพระทุดง บอกแล้วว่าสี่ข้อแรกเข้าใจง่ายจึงไม่ต้องอธิบายแต่ข้อ5ท่านข ค, ความให้และดังที่ว่าพุทธพจน้มีสองแห่งในเล่ม8และเล่ม22ก็มีอัตถกถาขยายความให้ทั้งสองแห่งอัตถกถาของเล่ม8อิทมัติตันติอิมายะกัญญานายะปฏิปฏิยาอัโทโธเอตัสสาติ Ino, o, อิทมัตติโนภาโวอิทมัตติตาอัตตกะถาของเล่ม22อิธมัตติตันติอิมายะกัญญานายะปฏิปฏิยาอัโถเอตัสสาติอิธมัตติโนภาโวอิทมัตติตาหมายเหตุผู้อ่านถ้าสนใจเรื่องนี้จริงๆควรหาหนังสือฉบับจริงอ่านนะครับเพราะจะมีที่มาจำกับอยู่ทุก บ, บทนะครับ รวมถึงภาษาบาลีในที่นี้อัฐกถาของเล่ม8และเล่ม22บาลีเป็นคำเดียวกันตรงกันทั้งหมดนะครับเข้าเนื้อหาต่อนะครับชัดว่าอัฐกะถาทั้งสองแห่งอธิบายขยายความเหมือนกันทุกตัวอักษรแล้วท่านที่แปลมาใส่ในพระไตรปิฎกภาษาไทยก็พยายามแปลให้ดีที่สุดองคแปลที่หลัง ก็อาจจะได้ดูคำแปลขององค์ที่แปลก่อนแล้วจัดปรับคำแปลของตนให้ดีที่สุดก็ได้คำแปลที่ตรงกันบ้างคล้ายกันบ้างยาวสั้นต่างกันอย่างที่ได้ดูมาแล้วที่นี้ธรรมะชุดนี้ก็สำคัญจึงมีการอ้างอิงในที่อื่นด้วยแล้วก็มีคำอธิบายในคำพีอื่นทั้งรุ่นอัรธกถาดีกาจนถึงคำภีจาพวกหลักภาษา ในที่นี้ไม่ต้องบอกว่าที่ไหนอีกบ้างบางแห่งก็อธิบายละเอียดกว่าอัธกถาเจ้าตำแหน่งและท่านผู้แปลสำหรับพระไตรปิฎกภาษาไทยบางท่านก็คงได้ไปค้นประกอบด้วยจึงได้คาแปลอย่างข้างบนในที่มีคานี้ถูกอ้างอิงบางท่านแปลเพียงว่าความเป็นผู้มีสิ่งนี้อัธกถาและดีกาบางแห่งบอกด้วยว่าอิธมติตานี้เป็นยาน คือเป็นเรื่องของปัญญาเมื่อดูคําอธิบายโน่นนี่แล้วก็พอให้เห็นถือเอาความหมายของอิทธามติตาได้ว่าความรู้ตระหนักว่าทุดงมีประโยชน์ที่ประสงค์อยู่ตรงนี้เท่านั้นมีอธิบายเช่นว่าต้องการกุศลธรรมไม่อิงอาศัยโลกามิตรมิใช่กลายเป็นอัตตกิลมัานุโยกอาจช่วยกันคิดหาสำนวนเทียบเช่นว่า ความตระหนักคุณค่าหรือเอาแค่นี้เท่านี้นะอะไรทํานองนี้ที่บอกเล่ามานี้เพียงจะให้พอรู้จักอธิกถาซึ่งมีคุณค่าประโยชน์ยงอยู่กับพระไตรปิฎกพูดไปก็กลายเป็นจะยืดยาวแม้เพียงที่พูดมาในตอนนี้ก็ทําให้รู้จักพระไตรปิฎกเป็นต้นพอที่จะมองเห็นชัดเป็นอย่างน้อยว่า 1. พระไตรปิฎกบาลีที่เป็นเนื้อตัวจริงต้นเดิมนั้นจำเป็นต้องเข้าให้ถึงและจะต้องรักษาไว้ให้คงมั่นยืนตัวเป็นหลักตลอดไป 2. องอัฐกถาอันเหมือนสะพานเหมือนบันไดที่ช่วยให้ก้าวเข้าไปถึงพระไตรปิฎกบาลีเป็นอุปกรณ์ที่ไม่อาจขาดไปละทิ้งไม่ได้ 3. พระไตรปิฎกภาษาไทยช่วยทอสะพานตั้งบันไดของอัตถคถาให้เราก้าวไต่ไปให้ถึงพระไตรปิฎกตัวจริงที่เป็นบาลีไม่ใช่เป็นตัวสะพานไม่ใช่เป็นตัวบันไดที่จะแทนที่ให้ทิ้งอัตถกถาไปได้ไม่ต้องพูดถึงจะแทนพระไตรปิฎกบาลีและอีกข้อคือก่อรูปร่างตั้งตัวขึ้นได้แล้ว อยู่ในช่วงการแห่งงานตรวจชำระแต่งแก้ที่พึงร่วมช่วยกันพาก้าวสู่ความสมบูรณ์ในที่สุดมีข้อที่ควรตระหนักรู้อันควรทวนย้ำให้แม่นยำน่าจะพูดไว้บ้างบางประการพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐนั้นมีชื่อที่ตั้งเป็นภาษาบาลีว่าสยามรัฐสติปิตกัง เป็นพระไตรปิฎกบาลีที่ได้สอบทานแล้วตีพิมพ์ด้วยอักษรไทยจนเสร็จเป็นชุดหนึ่งมีฐานะเสมอ ก, กันกับพระไตรปิฎกบาลีที่ได้สอบทานแล้วตีพิมพ์ด้วยอักษรของชนชาติอื่นๆทั้งหลายพระไตรปิฎกภาษาไทยที่แปลาจากพระไตรปิฎกบาลีไม่ว่าฉบับสยามรัฐหรือฉบับใดๆได้แปลามาโดยยึดถืออัธกถาเป็นหลักพูดอย่างกว้าง ว่าแปลตามอัตถกาถาเมื่ออ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยไม่ว่าชุดใดฉบับใดพึงรู้ตัวว่ากำลังอ่านคําแปลของอัตถกาถาไม่มากก็น้อยนั่นก็คือกำลังอ่านพระไตรปิฎกผ่านอัตถกาถาไม่ใช่อ่านพระไตรปิฎกจริงแท้ตรงตัวถ้าจะอ่านพระไตรปิฎกจริงแท้ก็ต้องอ่านพระไตรปิฎกบาลีจะเป็นฉบับสยามรัฐ หรือฉบับไหนก็ไม่ว่าแต่ไม่ใช่พระไตรปิฎกภาษาไทยหรือพระไตรปิฎกภาษาอื่นใดพระไตรปิฎกสยามรัฐนั้นเป็นพระไตรปิฎกบาลีแยกต่างหากกันกับอัตถกาถาอยู่แล้วไม่ต้องเอาอัตถกาถาออกจากพระไตรปิฎกตรงที่ไหนแต่พระไตรปิฎกภาษาไทยไม่ว่าฉบับไหนมีอัตถกถาเข้าไปเป็นเนื้อเป็นตัว จึงไม่มีทางที่จะดึงจะแยกอัตฉริยออกไปดังที่ว่าแล้วพระไตปิฎกที่พระคึกฤทธิ์ยกขึ้นมาชูนั้นเป็นภาษาไทยท่านบอกว่าเป็นฉบับสยามรัฐแต่ที่จริงไม่ใช่แล้วก็ได้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าที่พระคึกฤทธิ์เรียกว่าพระไตปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐคือภาษาไทยนั้นไม่มีจริงเป็นได้แค่พระไตรปิฎกภาษาไทย ที่แปลาจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐพระไตรปิฎกภาษาไทยทุกฉบับเท่าที่มีที่ทำกันมาในประเทศไทยล้วนแปลามาโดยอาศัยคำแปลศัพท์และคำอธิบายของอัตถกถายึดอัตถกาถาเป็นหลักหรือถืออัตถกถานำทางทั้งสิน้นดังนั้นถ้าผู้ใดไม่ยอมรับอัตถกถาโดยรวมก็ต้องไม่ยอมรับพระไตรปิฎกภาษาไทยทุกฉบับ ที่มีอยู่ในประเทศไทยด้วยจะอ้างอิงจะคัดลอกไปใช้งานใดก็เป็นความไม่จริงไม่ตรงตามที่ตนบอกว่าไม่ยอมรับอัตถกถาถ้าใครว่าไม่เอาอัตถกถาจะเอาพระไตรปิฎกที่ปลอดอัตถกถาก็ต้องแปลพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่โดยไม่ใช้อัตถกถาซึ่งทุกคนที่รู้จักเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรยอมบอกได้ทันทีว่า ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้